ทีนี้ถ้ารู้สิ่งนั้นได้แล้วแทงตลอดอาสังคตาธาตุได้เรียกว่าสัจฉิกิริยานนะสัจชิกาตรตตธรรมนะคือวัตถุประสงค์ของการรู้ธรรมทั้งกวงเนี่ยนะวัตถุประสงค์คือที่สุดแทงแ่งสิ่งเหล่านั้นใช่มเมื่อรู้สิ่งนั้นพร้อมทั้งปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงละวิปลาสแทงตลอดอสังคตาธาตุเนี่ยนะแทงตลอดอาสังคตาธาตุนะก็เป็นไปโดยลาดับ ทีนี้าข้อปฏิบัติดังกล่าวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาพันผู้ที่ฟังทำทั้งหลายเนี่ยฟังให้แยกออกเป็นห้าประการนี้ฟั ง, ฟงให้รู้นี้รู้ยิ่งกําหนดรู้ละทําให้แจ้งจเจริญห้าคำเลยนะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยทีนี้ต่อไปว่าถ้าจเจริญเนี่ยไหเจเริญทั้งศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม ส, สมาธิเรียกว่าสมถะคือสมาบัติแปดเป็นต้นเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาเหล่านี้ก็บางอย่างเขาเรียกว่าส่วนแห่งความเสื่อมส่วนแห่งความตั้งอยู่ส่วนแห่งความมิเศษขึ้นส่วนที่จะทําให้ชํำระกิเลสได้ยกตัวอย่างเช่นศีลห้าเนี่ยนะรักษาศีลห้าส่วนเนี่ยศีลห้าที่เป็นไปในความเสื่อมเป็นยังไงไม่ดื่มเหล้าอ่ะแต่เพื่อนที่เมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคิดว่าศีลอะยะางยาวจะดีไหม ไม่ดีนะเขาค่อยๆผสมให้กินทีละนิดทีละนิดก็เลยตอนหลังติดใจเลยนะเสียหายเลยนะอันนี้อันนี้ทีนี้ถ้าศีลที่ดํารงอยู่ก็คือคบหาสมาคมสังคมสิ่งแวดล้อมที่เท่าเทียมกัน น, ะนี่เรียกว่าทิติภาคิยาะนะแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มุ่งให้ศีลสูงขึ้นสูงขึ้ น, นพวกนี้เรียกว่าวิเศษภาคยะแล้วก็ศีลใดที่เป็นไปเพื่อการชำรํำระกิเลสศีลนั้นก็เป็นนิเทพทะภาคยะ ที่นี้ในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวไปเนี่ยนะซึ่งกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเป็นยานเป็นธรรมะเป็นเครื่องนําออกจากทุกก็อย่างที่กล่าวไปว่าทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นกรรําต้นเหตุเนี่ยนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นแดนเกิดเราเคยคิดนะเราไอเราต้องการออกจากทุกเนี่ยมันทุกอันไหนบ้างนะว่างๆเนี่เคยทบทวนดูนะ เออเราจะออกจากทุกข์ไหนกันแน่นะนะก็ในไห น, ก, ไหนก็จะออกแล้วนะรู้ให้บ้างวนะ่อาออกอกจากอะไรบ้างนะถ้ามันดียังไงเอ้ยหมายว่าไอ้สิ่งที่เราคิดจะออกเนี่ยมันเร็วยังไงไนี่นะมันเสียหายยังไงบ้างเอามาคิดให้เยอะๆเลยนะแล้วจะเห็นชัดว่าทําไมเราจึงอยากออกแล้ะถ้าออกได้มันดียังไงแล้วการออกนี่มีกี่วิธีเป็นต้นพวกนี้เรียกวิญญาณในการกําหนดปัดจจัยทั้งนั้นนลย สามารถกําหนดปัจจัยแห่งวัตตะกำหนดปัจจัยแห่งวิวัตะเนี่ยนะคือถ้าเรากําหนดปัจจัยแห่งวัตตะได้กําหนดปัจจัยแห่งวิวัตตะก็พอเป็นไปได้แต่ถ้ากําหนดปัจจัยแห่งวัตตะไม่ได้คือถ้ากําหนดปัจจัยแห่งชาติชรามรณาปัจจัยแห่งพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่ได้หรือที่เรียกว่ากําหนดทางแห่งคติห้าไม่ได้แล้วทางแห่งการพ้นคติหรือเรียกว่าทางแห่งอักคติเนี่ยนะ ทางแห่งการพ้นคติเราจะกาหนดได้หรือก็กาหนดไม่ได้ใช่ไหมง่ายๆทางแห่งนรกคืออะไรนนยทางแห่งเปรตคืออย่างไรทางแห่งเดรฉานคืออะไรทางแห่งมนุษย์เนี่ยคืออะไรทางแห่งเทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมเนี่ยนะปฏิบัติเดินตามทางไหนถ้ารู้ทางเหล่านั้นแล้วทางที่จะออกจากวัฏเป็นยังไง ไอการแยกอันนี้ได้เนี่ยเรียกว่าการกําหนดปัจจัยแล้วละ่ะเนี่ยนะการกําหนดปัจจัยเพราะงั้นการกําหนดปัจจัยแยกแยะซึ่งทางแห่งวตัตตวิวตัตตาได้ในเบื้องต้นอย่างนี้แหละจึงจะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นทางออกจากวตะเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากวตะถ้ากําหนดแยกแยะทางแห่งวัตะไม่ได้เราจะไม่เห็นคุณแห่งทางของวิวัตตาหรอก แล้วก็จะถามแนละ้วเหตุผลนนะ่ะเนี่ยสติริษฐานต้องบริบูรณ์ก่อนหรือส ต, ติปัญญาต้องเจริญขนาดนั้นหรือแล้วก็จะท้าอ้อมไปเรื่อยเลยมันจะเต็มไปด้วยความสงสัยพระพุทธเจ้ารู้ธรรมที่ออกจากทุกจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราปฏิบัติตามนี่มันจะออกจากทุกจริงหรือเปล่านะเราเราค่าๆกับว่าเราสงสัยพระพุทธเจ้าไปหมดเลยเพราะเราไม่รู้ทางแห่งความไม่รู้ทางแห่งทุกข์นะเพราะเรายินดีที่จะเจริญตามทางแห่งทุกข์เราจะไม่เห็นคุณแห่งทาง เพื่อความพ้นทุกข์อะไรคือถ้าผู้ใดยังชอบทางแห่งคติห้าอยู่นะคนนั้นจะไม่ชอบมัสมีองแปนันเถ้ายังชอบทางแห่งมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะสมมติถ้าชอบทางที่จะเกิดเป็นเทวดานะพวกนี้ข้าบุญอย่างเดียวทํายังไงจะได้บุญจะได้ไปเกิดที่ดีๆทําบุญก็ตั้งความปรารถนาสาธุขอให้เกิดเป็นอะไรดีขอให้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนดีเนอะอนี่นนะก็ขอไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ก็คือแต่ว่ารวมๆแล้วก็ขอขันห้านะสรุปเนี่ยจะขอสวรรค์ชั้นไหนก็ช่างเถอะก็ขอขันห้าขออายตนะสิบสองขอธาตุสิแปดนั่นแหละมันก็ขอขอแถวๆนั่นแหะขอทุกขศัพท์น่ะคนที่ขอขอนะโดยมากขอทุกขศัพท์กับขอสมุทัยศัพท์มีบางคนทําบุญขอสมุทัยศัตท์คือยังไงขอให้คนอื่นเคารักเรามากๆไอ้พวกนี้ขอสมุทัยศัตท์ ถ้าขอทุกขศาตร์ก็คือขอให้รูปดีเสียงดีอะไรดีร่ํารวยมีไอ้พวกนี้ทําบุญแนละ้วขอทุกขศาตร์บางพวกนี้อาภารักมากอาภาพคนอื่นมีโลภามากก็เลยขอสมุทัยศาสตร์ขอให้เป็นอา ร, รมณปัจจัยของสมุทัยของคนอื่นเนี่ยนยะพวกนี้ก็จะขอแบบนี้แหละสรุปก็วนๆอยู่แถวเนี้ยนะพูกกับสมุทยัยขอทุกขกับสมุทยัยเพราะฉะนั้นวิอัธยาสายแห่งวัฏฏะจึงจึงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทั้งถ้าเราแยกแยกทางแห่งวัฏะได้อย่างนี้ซึ่งผู้ที่เพลิดเพลินต้องการเนี่ยซึ่งขอทุกขศักดิ์อยู่ตลอดจิตมันก็จะเริ่มน้อมออกก็จะมีความสนใจทางแห่งอะไรวิวัตะแล้วรู้อย่างไรเนอะจึงจะจึงจะออกจากวตะได้ก็สัมมาทนาญาณท่านก็บอกเลยใช่ไหมสัมมาสนาญาณท่านก็บอกว่า ปัญญาที่กําหนดอดีตอนาคตปัจจุบันโดยสังเขปเรียกว่าสนาญาณสัมมาสนาญาณกําหนดว่ายังไงก็คือขันในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตขันในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตขันในปัจจุบันก็กําลังสิ้นไปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นขันในอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระดังนั้นผู้ที่มีปัญญาเห็นขันห้าโดยการสามอย่างนี้นี้เป็นเบื้องต้นที่จะออกจากวัตัุเนี่ยนะก็คือเป็นความคิดที่เริ่มตรงต่อความเป็นจริงเพราะความจริงของขันห้าคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปุตชนทั้งหลายเห็นสวนกับความจริงเป็นส่วนใหญ่ก็ ถ้าเราเห็นเห็นสวนต่อความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ยินคําว่าไม่เที่ยงเมื่อไหร่เราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมร้องไห้มากเลยนะไม่เที่ยงประเภทพ่อตายแม่ตายเราจะยิ่งเสียใจมากอนะเพราะมันเป็นความเห็นที่ที่สวนสัจจะเพราะเราอยากให้มันเป็นอมตะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมล่ะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสัจจะหรือสัจจะอันใดอันหนึ่งให้เห็นชัดเราจะ จะเดือดร้อนมากๆเลยเพราะเรามีความเห็นที่ขัดแย้งต่อสัจจะงนั้นปัญญาตั้งแต่สัมมสัญาาเนี่ยนะเป็นปัญญาที่เห็นสอดคล้องตามหลักสัจจะคือสอดคล้องต่อทุกขสัจก่อนเป็นอันดับแรกว่าทุกขสั์ไม่เที่ยงนะทุกขสั์ทุกทุกขสั์ขันทุกขันในภพทั้งปวงไม่เที่ยงขันทุกขันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะบริหารกันขนานี้สุขได้ยังไงนะ ที่จริงนะทุกคนเนี่ยสมมติถ้าคนหนึง่งน้ำหนักห้าสิกิโลนะัแล้วแบกไห้น้ำหนักห้าสิบกิโลเที่ยวไปร้อยปีเนี่ยนะโอ้มันหนักขนาดนี้เลยนะแบกว่ายกน้ำหนักนะถ้าน้ำหนักหกสิบล่ะว่ยกน้ำหนักหกสิบเที่ยวไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยนะสนุกขนาดไหนนะขนภาระแท่ากัขนย้ายภาระกันหนักขนาดนี้เนะี่ยถ้ายังน้ำหนักสามร้อยปอนด์อย่างที่ว่านะโอ้โหขนย้ายไปไหนทุกยากลาบากขนาดนั้น การเห็นแบบนั้นเห็นเป็นทุกข์บ่อยๆเป็นอนัตตามากๆเรียกว่าสัมมาสนญาณถ้าเป็นญาณสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็เริ่มช่างแล้วว่าวัตตนี้เกิดยังไงถ้าดับวัตตนี้ดับได้ยังไงอันนั้นแหละเรียกว่าอุทยภยญาณคือรู้ความเกิดของวัตตะรู้ความดับของวตต์อันนั้นเรียกว่าอุทยภยญาณาของมาเมื่อก่อนก็รู้แต่คําว่าเกิดดับอะไรมันเกิดดับ ก็เลยนั่งดูทุกอย่างให้มองใหเห็นเหมือนพยับแดดให้หมดหรือยิประยับหรือยิระยับยิ่งดูไปมากๆมันก็เริ่มไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็เยอะแล้วก็เลยเออเอาหม่แล้วคือคําว่าเกิดเนี่ยนะหมายคว่าเกิดแบบชีวิตเนี่ยมันเกิดยังไงถ้าจะดับชีวิตไม่ให้เป็นตายในวัฏฏะเนี่ยดับยังไงเพราะอย่าลืมว่าทางคนที่กําหนดตัดใจมากๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าตายเนี่ยคือการแก้ปัญหาใช่ไหมตายคือการเกิดอะเพราะตายกับเกิดมันไปกัน ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีปัญหาเราจะรีบไปตายซะจะได้จบจบจบจริงหรือนี่ยอาจจะจบจากตรงนี้แต่ว่าเหมือนกับว่าเรื่องตรงนี้มันแก้ไม่เสร็จนะ่ะรีบออกจากตรงนี้ไปรับปัญหาข้างนอกต่อไปเนี่ยจากตรง น, นีงนน้ไปแก้ปัญหาตรงโ น, น้นจากตรงโน้นไปแก้ปัญหาตรงโน้นซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเนี่ยนะทันที่พระสัชชีสอนภาษาดิบว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุหรือมีเหตุเป็นแดนเกิด พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งคำเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมหาสัมมาณะตรัสความดับเหตุแห่งคำมะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายมีสมูทัยเป็นแดนเกิดถ้าดับสมูทัยได้ดับปัจจัยได้ทุกก็เป็นอันดับเนี่ยนะทุ ก, ก็เป็นอันดับทีนี้ไอการรู้ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอันนั้นแหละกาหนดความเกิดเรียกว่าอุทยะเนี่ยนะกหนดความเกิด ทีนี้ถ้าเกิดและถ้าดับปัจจัยดับสมูทัยได้นั่นแหละเรียกว่ากําหนดความดับได้ก็กําหนดความดับก็อาริยมรรคอย่างเดียวนะอริยมรรคนั้นต้องแทงตลอดอริยศาสตร์ใช่ไหมพันการแทงตลอดอริยศาสตร์นั่นแหละเป็นความดับทุกข์อย่างแท้จริงดับต้นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้ายังกําหนดอริยศาสตร์ไม่ได้เรารู้แต่เกิดแต่ยังไม่รู้ดับก็มีนะกญาญาณที่เป็นโลกิยะที่กําหนดอริยศาสตร์บอกว่า ยานในทุกเนี่ยละสกายทิฐิยานที่กําหนดทุกศาสตร์ได้เนี่ยนะละสกายทิฐิยานที่กําหนดสมุทัยศาสตร์ได้ละอุเฉททิฏฐิยานที่กําหนดนิโรสัจะได้ละสตทิฐิยานที่กําหนดมรคศาสตร์ละอักตริยะทิฐิคือยานที่กําหนดสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมเรียกว่าละอุเฉททิฐิเนี่ยนะ เพราะยานตั้งแต่อุทยพย า, ยานเป็นต้นไปเนี่ยนะเป็นยานที่เกี่ยวข้องกับอริยศาสตร์ตลอดเพราะนั้นถ้าตั้งแต่อุทยพย า, ยานเป็นต้นไปเนี่ยนะถ้าใครไม่รู้อริยศาสตร์นะยิ่งคิดมากยิ่งก็ ย, ยิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องสามารถกําหนดจับอริยศาสตร์เอาไว้เป็นหลักเนี่ยจึงจะเข้าใจตั้งแต่อุทยพย า, ยานขึ้นไปได้ยานในทุกขศัพท์กำหนดอะไร อ, นนะนนอันนี้ยานในทุกขัสสะอันนี้นี่กําหนดนะกําหนดหรือรู้นะยานที่รู้ทุกขัสสะกําหนดทุกขัสสะละสกายะทิฐิยานที่กําหนดสมุทัยสัตถ์นี่นะละอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฐิก็คือความเห็นว่าขาดศูนย์ยานที่กําหนดนิโรธสัจจะละอะไรละสัสตะทิฐิ ยานที่กำหนดมักคสัตต์ละอกิริยะทิฐิคือขันห้าจริงๆเนี่ยนะก็คือทุกขสัตย์ใช่ไหมทุกขสัตย์คือขันห้าแต่ปุตุชนทั้งหลายสำคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่หรือไม่จริงตกลงจริงหรือไม่จริงมันขันห้าหรือเป็นของเราขันห้าหรือเรากันแน่สาธุขอให้ขันห้าจริงๆเอ ห้ามเดินเหยียบเท้ากันแล้วกันเนายไปเหยียบเท้าเราทำไมใครมาเอาของเราไปก็คิดให้ดีนะว่าจริงๆอ่ะขันห้าก็คือขันห้าใช่ไหม